ตั้งเดนกกินมาจะมาพรุ่งนี้จ้ะมาป่มาค่ะมาสองลูกค่ะอืมอืมอเ่เป็นวัน 17. เจพรุ่งนี้18บแปนทางแปพรุ่งนี้เยน็นตืจะได้มาเจอตุกขตะมเย็นูกเอาลูกชายมากราบู่ด้วยเไปรเรียนใ่ะอืม เพราะนั้นเตรียมงาน <c oughs> เตรียมงานกันต้องอาศัยควม ร, ร่วมมือกันไม่ใช่เตรียมคนเดียวเตรียมงานนอกเตรียมงานในงานนอกบริเวณสถานที่งานในก็คือใจ ห, าหลายๆคน หลายใจสามัคคีนังทัปสุขโขความสามัคคีนำมาถึงความสุขก็ ม, ม, มีวัดวาศาสนาเพื่อให้มีความปองรองสมานสามัคคีนั่งในใจเดียวกันถ้าไปลงเรือลำเดียวกันไม่เห็นด้วยกันคนหนึ่งทอคนหนึ่งทายใช่ไม่ได้มันเหนื่อย คุณอากไหมคนถอทายช่วยกันทายคนหนึ่งหวงไว้มันใช่ไม่ได้ต้องช่วยกันทายโดยเรื่อยเดี๋ยวเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาตกลงกันถึกผลลมลมทางด้านจิตใจโดยตรงทางพระพุทธศาสนาให้ใจมีความสุขทําบุญทําบุญคือทําให้ใจมีความสุขไม่ใช่ให้ใจ เดือดร้อนวุ่นวายคนหนึ่งเช่คนความสุขคนหนึงเดือดร้อนมันก็ใช่ไม่ได้สุข ก, ก็สุขด้วยกันสุกเอื่อนยิ่งกว่าความสงบไม่มี่อสุขสงบทั้งนอกสงบทั้งในจิตใจอย่ารักจะโลภอย่าโกรธจะหลงถึงได้ย่ำแล้วย่ำเองก็ใช่คือหาความมีออกจากใจมีรักมีโลภ ก, ก็เป็นบาปนั่นนีแต่ลม ลมมันเบาเป็นบุญให้ดูลมให้เห็นลมจึงจะมีสมาธิที่จะเกิดปัญญาเล่าขาอยังเดียวคือคาดการทำบุญหากเข้าวัดทำบุญส่วนมากผลของไปสวายพระเพราะว่าทำบุญมันไม่ทูกทำทานเป็นไหมตัวอาหารกายนุนยุ่งคนเราชอบจุ่งอาหารใจเราไม่ได้เสียเงินสบายแต่ไม่ดูกัน เมื่อเวลาไม่ดูละผลจุดท้ายก็ไม่รู้บากไม่รู้บุญละไม่รู้ว่าไปวัดทําบุญอะไรยังไงจริงก็เลระร้อนก็เลยบุ่นวายก็เลยจุง้งแต่นคนเราชอบจุ้งถ้าไปทําบุญเกิดสมาธิเกิดปัญญาสิสำคัญคือภาคทําสมาธิทําบุญให้ทําบุญบอกทําบุญอาหารใจให้เลี้ยงใจแต่งใจอาหารใจคือลมไม่ได้ซื้อส่วนมาก เรามีแต่ยุง่งจะเรื่องอาหารกายทังอาารร่างกายมันไม่แน่ทอนทั้งกายก่อนนี้ของคุณพ่อคุณแม่เกิเดแล้วแก่เก็บตายเกิดแล้วแก่เก็บตายได้ยินในมตรวทุกวันแต่ไม่เห็นตรวจแล้วก็ให้เห็นด้วยซิเห็นตามความเป็นจริงที่พูดออกไปถ้าพูดออกแล้วไม่เห็นด้วยคุณไม่ได้ เมืราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นถ้าดูเห็นก็รู้ดูอะไร ด, ดูใจเห็นไหมเครื่องดูใจไม่ใช่ตาเนื้อนนหนิตาเนื้อตากี้เลร่ดิ่งธรรมะาจาักสุต้องใช้าตาภายในมองเห็นใจว่าเป็นไงใจมันเป็นนามธรรมได้ยินแต่ชื่อแต่ต้องใช้ธรรมะาจาักสุตุตาภายในมองใจเพื่อเห็นหาความสุขในวัดสาหรับความสุขทางใจพระเจ้าผู้สองฝึกฝนอกลมทรรใจโดยตรง ถ้าไม่เข้าใจมีแต่ความวุ่นวายถ้าผู้เข้าใจหาความมีออกจากใจให่จะให้มีรักจะให้มีโรค จ, จะให้มีโกรธจะให้มีมีใจเสียใจนั่นก็แปลว่ามีแล้วมีดีใจมีเสียใจดีใจเขาไม่เอาเสียใจเขาไม่เอาที่ไรคติเอาไว้ใครใครักใครทั้งข้างเขาใครดา่าใครบนทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ โดยเฉพาะโร ก, กอย่างนี้เลยริ่งทำใจให้ง่ายได้ง่ายถ้าปล่อยวางเป็ น, นใครจะว่าอะไรก็ว่าไปที่ไม่ที่เกียดเ้าคนเราของใครของเราไม่เข้าใจด้วยการปฏิบัติเราขาดอย่างเดียวคือขาดการทำบุญนะขาดรู้ใจขาดทำสมาธิถ้าเอา ละเอียดเข้าไปเรื่อยนั่นแหะคำว่าสมบุรณทานศีลบุญทานศีลภาวนาทานศีลสมาธิคําของพระเจ้าสอนคารวะเจ้าโยไม่ทําทานศีลภาวนาเดี๋ยวนี้พูอย่างเดียวคือทา <c oughs> นศีลไม่มีภาวนาไม่มีเมื่อราขาดการภาวนาไม่มีสมาธิไม่มีความคิดอ่านให้ควรพิจารณาว่าถูกต้องกับถูกใจมันเป็นยังไง <c oughs> ถนะึงได้ย่ำย่ำทางวัดทางวาอยู่ที่ไหนทีไหนก็ย่ำย่ำพระเจ้าพรสงมันมีน้อยผู้ทําตามคําสอนของพู้เจ้ามีน้อยเราไม่ช่วยสร้างลักษณมาสร้างทําไมวัดวาศาสนาแต่ต้ปัจจัยบ้านเราเมืองเราเยอเะแยะที่จะถวายให้พอเป่กเาก็มีเยอเะแยะแต่ทําไมมาลงทุนนองแดงเหร ก็อยากช่วยกันเผยแผ่วัฒนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมตตาสัตว์โลกหาศีลหาธรรมมาสอนสัตว์โลกสอนคนเราต่นคนไหมทําไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้ารพรุทธเจ้าสอนให้ทานศีลบุญทเรือเลาประาาสาทการศีนกับบุญเท่านั้นแหละขาดสองอย่างเราไม่มีสมาธิ่ะิ้มันวุ่นวายนั่นคนเราชอบยุ่งไม่เชื่อพระพุทธเจ้า คนตาท่าจะยุ่ ง, ย, ง, ย, งยุงนังมม่นยุ่งเท่าไรยิ่งทำยุ่งปอบผ้าเสื้อหมามายุงพอใจว่า ล, ลูกบะมี่เสื้อหมามาเลียงเพิ่มบ c, ขบ้นยาเขาไปอยู่บ เ, ส, เส้นสีสีสบายอยู่สบายก็ไม่เอาหาแต่เรื่องยุ่งอยากจะรู้ยุ่งหรือไม่ยุ่งให้ทำบุญนี่เราไม่ทำบุญไม่รู้ว่ายุ่งคนยุงคือบาปพุ้นว่าคือบาป โรคคือบาปร่ำรวยคือบาปสวยงามคือบาปจยากเห็นบุญดูลมหายใจเข้าออกให้รู้เจนี้ก็พอแล้วไ่ต้องทำอะไรมากหรอก <c oughs> หน้าจะสวดทุตมนต์เยอะๆเสียบัญชารนร้อยข้างคันข้างอิทธิพัสดุร้อยข้างคันข้างคาถาเงินหมื่นร้อยข้างหมื่นข้างท่องคาถาอยู่กันนะ ว, ว่าหาสได้เงิน <c oughs> <c oughs> อย่างได้บุญอยได้บุ่นจมเอาจะบบกินอาหารก็เห็นว่าชาตินายต้องติกินอาหารล่ะกับ อ, อาหารใจล่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ติดซือ้อจกักรารรดิว่าทำไไอะไรบะมีปัญญาเริ่มนา ด, ดูออกุโซเอาโนจาโยมโรงแรมญาติที่น้องได้เขีสากมาทำทานนักสาธิเฉยเมตตาภาวนาเป็่ขมดขดโซนเพิ่มขดโซนเสร็นี่ คุณผู้พระพรเณพระโดุ์นกิกทั้งหลายก็จงมารวมกันจงปกป้องปกป้องมาราอคนและทุกวานดสิน้องมีแต่คนชุบคนเริญชุบกายชุบใหาจากุณโรภยทงานตาเงินถึงได้ปัจจาาถทุกประการเดอา็ล อืม <Yeah. S 2> yeah. กินไม่อย่างไปกันจเลีนจุเลีน